จุหนึ่งสี่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให Clear ้ละความเป็นตัวตนแต่สอนให้ละความเห็นผิดว่ามีตัวตนวงเล็บเปิดสี่พฤศจิกายนสองพนห้ารสเจุดจุดนาทีห้าสิบเก้าวงเล็บปิดความเป็นเราจริงๆไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้ละความเป็นตัวตนแต่ท่านสอนให้ละความเห็นผิดว่ามีตัวตนความเห็นผิดว่ามีตัวตนเรียกว่าสักยัิทิฐิให้ละความเห็นผิดว่ามีต <meeting S 1> ัวตน ทีนี้วิธีละความเห็นผิดว่ามีตัวตนได้ต้องเห็นถูกจะเห็นถูกก็ต้องรู้ลงมาสิ่งใดที่รู้สึกว่าเป็นตัวเรานะก็คือกายกับใจให้เรามารู้กายรู้ใจมากๆจนเห็นเลยมันทำงานเองมันไม่ใช่เราหรอก